ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังท่านั้ใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องทรงสแสวงหาเนื่องด้วยเบญจขันธ์ก่อนการสัจสรู้ต่อไปจยเดนว่าข้อความ ค, คล้ายคลึงกันแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในโครงสร้างเดียวคือโครงสร้างของอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการเพียงแต่ว่าประธานได้ยกขึ้นมาน่ะต่างกัน อาจจะเอาแยกเวทนามาหรืออาจจะเอาแยกเฉพาะรูปมาหรือว่าเอาทางใจรักหรือว่าเอาเออ่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็แล้วแต่นะะบทสรุปว่าอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละคือเรื่องทั้งหมดก็ศึกษาที่ตัวเราเองเพราะว่าสิ่งที่ทรงศสัสรูมันก็ไม่อื่นไปจากตัวเราทุกข์ก็อยู่ในเราสมุทัยก็อยู่ในเราในโ ร, ก, นรกก็อยู่ในเรามรรคก็อยู่ในเราเพียงแต่ว่าเขาไม่อยู่ร่วมกัน ทุกกรสุนอุไธเนี่ยก็อยู่ด้วยกันมร ก, กนิโรเนี่ก็อยู่ด้วยกันวัว่าควายหนึ่งเกิดควายหนึ่งก็ดับควายหนึ่งดับก็แสดงว่าควายหนึ่งเกิดขึ้นในบาลีฉัตเสูดภารวักนะฮะสังยุตติการขันธวารวักสรงแสดงว่าพึกสูทั้งหลายเราได้เที่ยวสแสวงหาแล้วซึ่งรสอร่อยของรูป เราได้พบรสอร่อยของรูปนั้นแล้วรสอร่อยของรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นมันแล้วเป็นอย่างดีด้วยปัญญาของเรามีประมาณเท่านั้นพิสูจ์ทั้งหลายเราได้เที่ยวแสวงหาได้พบโทษของรูปเราได้พบโทษของรูปนั้นแล้วโทษของรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นมันแล้วเป็นอย่างดีด้วยปัญญาของเราเท่านั้นพิสูจ์ทั้งหลายเราเที senate, ่ยวแสวงหาแล้วซึ่งบายเป็นเครื่องออกจากรูป เราได้พบอุบายเป็นเครื่องออกแกรูปนั้นแล้วอุบายเป็นเรื่องออกจากรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นมันแล้วเป็นอย่างดีด้วยอุบายด้วยปัญญาของเราเท่านั้นคนนี้ก็ส่งส่งขยายไปที่เวทนาสัญญาต่างการวิน ญ, ญานเช่นเดียวกันต่อสรุปว่าเป็นเรื่องของชีวิตร่างกายนั่นแหละแล้วก็ที่จริงถ้าเราดูให้ดีโครงสร้างเนี่ย โครงสร้างนี่มันซ้ำกับโครงสร้างตอนเบญจคันธ์เพียงแต่ว่าตรงนี้กลุ่มกลุ่มที่ทรงแสดงเนี่ยกลุ่มที่ทรงแสดงนั้นต่างกันเพา่อนจะอธิบายในรูปของการแสวงหาก็ ค, ค่อยๆพูดก็ค่อยทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังไปเรื่อยๆแต่ละตอนข้อความเลยค่อนข้างยาว เป็นทํานองเชื่เห็นว่าพระองค์เองก็ต้องท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรตลอดการยาวนานก็เที่ยวแสวงหาว่าอะไรนะเป็นรถอร่อยของรูปแล้วก็สแสวงหาแล้วก็จนพบรถอร่อยของรูปในที่สุดก็ดูหมดแหละเพราะงั้นเราจะเห็นว่าตัวนี้มันไปเลยไปสังสารวัตรเลย เวลาที่บายเนี่ยมันก็มองเห็นทั้งสารวัตรว่ารถตลอดของรูปไม่ได้มีเฉพาะกรารมปพบไม่ได้มีเฉพาะรูปปรพบแต่มันมีแม้ในระดับมรรคผลนิพพานแต่ว่านอกคนนิพพานนะพระองค์ยังไม่เคยเจอแต่ตอนที่เทศนเจอแล้วนะแต่ตอนที่เทศนี่เจอแล้วแต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่ทรงแสดงว่าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์จะไม่ตัดศัสรู้เนี่ยพระองค์ก็ยังไม่เจอ พันเวลาบางทีเนี่ยเช่นมีพระรูปหนึ่งชื่อพระโคตรมะก็เป็นเชื้อสายเป็นราชวงศ์เดียวกับพระพุทธเจ้าเนีคยตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จเสด็จไปรับพระเจ้ต ว, วันที่ไม่ใช่ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่กรุงก บ, บิลพัเ์เนี่ยตอนเทศเวสสอดชาดกแล้วก็จบพระธรรมเทศนาแล้วท่านโคตมะนี่ท่านขอบวช แล้วก็บำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลเป็นพระหานพระญาติเข้าไปประท้วงถือว่าทอดทิ้งเขาท่านก็อธิบายเล่าออฟังก็เล่าแนวเนี้ยแต่ว่าของท่านพิสดารคือให้เห็นว่าท่านเองท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏป็นนานหรือเกิน<ส>เกิดหมดเลยหมายความว่ายกเว้นแต่อะไรล่ะยกเว้นแต่เป็นพระนาคามีนะฮะยกเว้นแต่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยท่านก็เกิดหมดแล้ว มันมีแต่ทุกทุกเท่านั้นแหละเพราะในการการรสอร่อยของรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นมันแล้วเป็นอย่างดีด้วยปัญญาของเรามีประมาณเท่านั้นมาความสัมผัสหมดที่เรียกว่าเดวมนุษย์สูสรางสรรค์โตท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันก็สัมผัสเรื่องเหล่านี้มาตลอดเป็นการยืนยันให้เห็นถึงสภาวะที่เหมือนกันอของเวทนา สัญญาทั้งหายมี ญ, ญานะแหละแต่ว่าแต่ละข้อนั้นจะเน้นพิสดารเน้นโทษก็เหมือนกันนะใช้ข้อความเท่ากันในทางออกก็เหมือนกันทีนี้เวลานั้นอย่าลืมมาทางออกนี่เป็นเป็นการรับสั่งเมื่อตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทางออก น, นนะฮะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยโทษก็ดีนะโทษของรูป ก, ก็ดีด้วยความ อร่อยของรูป ก, ก็ดีโทษของรูป ก, ก็ดีแล้วก็ทางออกก็ดีนั้นที่ชัดเจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เนี่ยก็ตอนที่ได้จัดสรุแล้วปัญหาสำคัญว่าโครงสร้างตรงนี้ทำยังไงเราจะเอามาใช้ในในชีวิตประจำวันได้คือหนึ่งต้องชัดเจนในสภาพของปัญหาสองต้องชัดเจนถึงโทษของปัญหาเราได้ แล้วก็สามนี่ต้องชัดเจนในทางออกแล้วก็ออกให้ได้นะออกให้ได้คล้ายๆกับสังคมเราเนี่ยเราลองสังเกตว่าเราพูดเรื่องปัญหาในสังคมนี่พูดก็พูดเต่มมันก็ถูกทุกทีอ่ะแต่ว่าในสุดมันก็จบลงว่าแล้วใครจะลูกกโคโคระพัวในผูกคนแมวล่ะมันมีทางออกแต่ว่าออกไม่ได้มนสุดมันประชุมกันก็ถึงทางตันทุกครับ มันก็กลายเป็นเรียกว่าเป็นความรู้ทั่วหัวแตลตัวไม่รอดปัญหาในสังคมไทยนั้นเรามีปัญหาถาวรที่เรารู้พูดมาอะไรก็ถูกแล้วก็อธิบายได้คือไม่จำเป็นจะต้องไปอธิบายไปอ่านหนังสือเลยนะแล้วมาใคยพิสูจน์นานมาแล้วสมัยภัยสังคมนะครับสมัยขมนิต่ก็จับขมานิตไปข้าวไข่ก็นิมนต์ไปบรรยายเอาพรมในป่า แล้วก็จำแนกคอมนิดในถ้ำกลางคองมนิต์ใหญ่ทั้งหลายที่นั่งอยู่เต็มเนี่ยเราจำแนกคอมนิดเอได้เกิดคอมนิดเจ็ดประเภทแล้วก็เสร็จแล้วก็บอกจ้าหน้าที่ตำหมดเพราะที่พูดเนีมาไม่เคยอ่านหนังสือนแต่ว่ามันเป็นส ภ, ภาพธรรมดาที่มันมีมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วในโลกมนุษย์เนี่ยส ภ, ภาพปัญหาเหล่าเนี้ยมันเกิดความขัดแย้งทุกทีแหละ มันไม่จําเป็นว่าจะต้องมีประเทศไหนประเทศใดประเทศหนึ่งคอมมิวนิสต์หรือไม่คอมมิวนิสต์แล้วมันชื่อเรียกกันแต่ว่าความขัดแย้งกันเนี่ยความรู้สึกร้อยโอกาสความรู้สึกถูกเบียดเบียนความรู้สึกไม่เป็นธรรมอายุติธรรมเนี่ยในทสุดมันก็กลายเป็นการผ่าสังคมไม่เกิดความแตกแยกเราจำแนกที่ไปที่มาให้ฟังแล้วก็ถามผู้กํากับตรงนั้นว่าถามจริงๆอ่ะที่พูดนี่ตรงเลยปะแกบอกก็ตรงอย่างนี้นะ ตรงอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเขียนเป็นตำนาแต่ท่านเด็เราเราไม่อ่านตำนาเพราะว่าเรามองจากเรามองจากเนี้เรามองจากอริยสั์ของพระพุทธจ้าเนี่ยแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปดูครับไม่จําเป็นจะต้องไปดูไอเนื้อหาหลักตรงนั้นแต่ว่าเราต้องรู้กรอบเขาว่ากรอบของเขาตัวเนี้ยหมายความว่ายังไงแล้วเราจะเอาของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปจับ เพราะอะไรเพราะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผลมาจากการรัสรุวิชาการทั้งหลายนักพิชาการไม่ได้จัดสรุปนี่นะคือเก่งยังไงมันก็เขาก็ไม่ได้จัดสรุปแต่ของพระเจ้าท่านรัสรุเราสามารถจะนำหลักการตรงนี้ไปอธิบายไปชี้แจงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกได้โดยไม่ต้องอ่านตำราเลย นะเช่นสมมติว่าเราพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจก็ได้สังคมก็ได้นะการเมืองก็ได้ตัวเนี้ยเราเอาสังคมก็ได้กันอย่าไปกลายการเมืองการเมืองมั่วๆอยูนะ่เราดูปัญหาสังคมเนี่ยเราจะเห็นว่ารถอร่อยของรูปเนี่ยมันก็คือสภาพปาัญหาต่างๆที่มีอยู่ภายในสังคมแต่เราพอใจติดใจในสภาพปาัญหาเหล่านั้นเราสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งเหล่านั้นทั้งๆที่มันเป็นปนัญหา แต่เราก็ไม่เคยสลัดออกเพราะเราไม่ชัดเจนว่ามันเป็นโทษอะไรเนื่องจากอะไรล่ะเนื่องจากในความเป็นโทษเดี๋ยมันมีความเป็นคุณอยู่ด้วยมันยกตัวอย่างอย่างเนี้ยคล้ายๆกับว่าอย่างเรารู้เว้แล้วเนี่ยว่าปัญหาโสเพ น, นีในเมืองไทยเนี่ยคนอยู่ในวงการเนี้ห้าล้านถามว่าเป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาแต่มันเป็นอัศทะไหมมันก็เป็นรถอร่อยเป็นความสนุกสนานเพลิดเพลินของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายเนี้ย ถามมีทางออกไหมไมันไม่มีทางออกจะถามให้เห็นโทษไม่เห็นโทษ เ, เพราะถ้ามีทางออกแล้วมันไปเจอทางตันแล้วใครจะผ่าทางกันได้เพราะปัญหาเหล่านี้มันไปปัญหาขั้นพื้นฐานสังคมตั้งแต่ยุคใดสมัยใดเราย้อนกลับไปตรงนี้เอาเนี้ยจําลองภาพตรงนี้เลยไปอยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าโดยเว่ายุคของพระพุทธเจ้าเวลาเกิดปัญหาวิกฤตขึ้นมา เช่นสมมติว่าเกิดโรคระบาดเกิดข้าวยากหมากแพงเกิดโจระไพรภัยต่างๆภัยธรรมชาติต่างๆมี่เกิดขึ้นมากส่วนมากเขาเรียกว่าภัยธรรมชาติกับโจระไพรแล้วก็ราชภัยมันเกิดขึ้นคนจะดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดได้ๆแล้วทางออกทางหนึ่งนี่คือเข้าวัดนะปลอมบวชบวชจริงบ้างปลอมบวชบ้างเห็นไหมเราเรารู้ข่าวปลอมบวชเรื่อยๆ และเหตุที่พระจ่าทรงห้ามพระคนประเภทต่างๆถึงสามสิบกว่าประเภทเห็นไหมบวกก็เพราะว่าคนปลอมโบทเห็นว่าตรงนั้นคือเป็นทางออกให้แก่เขาช่วยแก้ปัญหาเขาได้เช่นเกิดโรคระบาดไม่มีหมอรักษาแต่ว่าในศาสนาเนี่ยมีหมอชีวกโกมารละพระรั้งสาพระอยู่คนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นทางออกให้แก่เขาเขาก็เข้ามาอาศัยรูปแบบตรงนี้กลายเป็นแก้ปัญหาแก่เขาแต่สร้างปาัญหาแก่องค์กร เห็นไหมลูกไอ้ปัญหาเหแถวนี้ยมันก็กลายคกล้ๆกันเรากดลูกโปง่งมันดูเหมือนจะกดได้นะนะแต่บางแฝบตรงหนึ่งแล้วไม่โป่งอีกตรงหนึ่งกดไปกดมากดมาก ด, ดไประเบิดเปี้ยงไลยสมมติว่าเราจะปฏิวัติเลยยกเลิกโสเป็นนีหมดทั่วประเทศอะไรเกิดขึ้นปัญหาการว่างงานเกิดขึ้นปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นเจ้านอาจจะจะลาจนนะฮะ คนกลุ่มผลประโยชน์ขนาดนี้นี่สร้างม็อบได้เลยนะ้อมทำเนียบรัฐบาลเนี่ยมากกว่าสมาชากคนจนตัวอีกนั่นคือกลายเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้ทำยังไงล่ะในระดับสังคมเราก็ไม่ได้ถือว่าจะเป็นออกแบบพระพุทธเจ้าออกหรอกแต่มันควรจะลดละจางคลายลงไปปัญหาต้องบรรเทาระดับสังคมการมาวจรภูมิมเนี่ยเขาไม่พูดระดับสัด์ออกไปเต็มที่นะฮะก็พูดระดับบรรเทา ทำยังไงเราจะบรรเทาได้ปัญหาเวลานี้มันบางครั้งเกิดตีบตันนะมันเป็นปัญหาระดับโลก่างครังคงจะได้ข่าวว่าเด็กไต้หวันเวลาเนี้ยเป็นพันๆจบเป็นยาตรีแล้วไม่มีงานทำแล้วก็ไปสมัครเก็บขยะกวาดขยะเป็นพนักงานเทศบาลเกิดเป็นปัญหาอะไรอ่ะเกิดเป็นปัญหาว่าพวกนี้ฉลาดทำงานฉลาดกว่า และขยันกว่าฉลาดกว่าทํางานได้เรียบร้อยเอกว่าพวกที่ด้อยโอกาสทั้งหลายอ่ะซึ่งเคยมีอาชีพอย่างนี้ว่างงานนะทีนี้ยุ่งเลยเห็นไหมเราแก้ปัญหาเรากดตรงหนึ่งมันแพบลงไปได้ว่าเราก็ลดปัญหาการว่างงานของคนระดับเบญญาตีลงไปได้แต่ไปสร้างปัญหาการว่างงานให้แก่คนระดับกรรมอาชีพทั้งหลายซึ่งแกต้องหากินอยู่กับอาชีพเหลา่านี้ แล้วทีนี้จะสร้างอะไรล่ะแกก็ถึงทางตันนะฮะทางตันแล้วก๋ต้องอยู่พอเสร็จอยู่ล้ทีเนี้ยยาเสพติดเอ่ยปัญหาจากการต่างๆเอ่ยมันก็ออกมาเพราะงั้นในแนวในแนวการการมองปัญหาแบบลดปัญหาต่างๆยังมองถึงราชสังหะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้มันก่อนไปพิปลายในหมู่นักวิจาการ ก็ตั้งข้อสังเกตแต่ว่าแปลกที่ราชสังขารที่จริงมันมีห้าข้อเวลาเรามาพูดเราพูดแค่สี่ข้อต่นนั้นเองถามมาข้อที่ห้าเนี่ยมันหายไปไห น, นคือเป็นการการบริหารงานบุคคลจนถึงบริหารประเทศเป็นธรรมะของพระราชานะเป็นผู้บริหารไม่ใช่เจาะจงพระราชาเราสมภารเจ้าวัดก็ได้พ่อบ้านก็ได้ก็เหมือนกันนะครับทรงใช้กคำเมตตาเปรว่าชลัด สองเมตาเนี่เป็นเรื่องใหญ่เมธาหนึ่งคือคนเมธาหนึ่งคืองานหมายความฉลาดในเรื่องงานก็ฉลาดในเรื่องคนบริหารคนให้เหมาะสมแก่งานวางคนให้เหมาะสมแก่งานแล้วก็มอบหมายงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของคนคนทางานเหมาะสมแก่สายของตัวเองนะฮะเขาถนัดในทางไหนก็ให้เขาทำงานในทางนั้นเขาพอใจในทำงานในทางไหนก็ให้ทางานในทางนั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะฮะ เคยมายังไม่ค่อยโทษวงการของชาวบ้านนะ่ะแม้แต่วงการพระเราเนี่ยเรียนมาเยอะเลยนะแล้วลธรรมะเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมะที่อยู่ลึกซึ้งอะไรธรรมะอยู่ในเกณฑ์ธรรมดาอย่างเนี้ยอย่างอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพเนี่ยท่านมาย่อเอาไว้เนี่ยอืมสี่สิบห้าหัวข้อใหญ่รวมแล้วเท่าไหรล่ล่ะรวมแล้วก็ห้าสิบเจ็ดหัวข้อใหญ่นะคห้าสิบห้าสิบเจ็ด คือเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหัวข้อที่ขยายจริงแล้วในสิบสองข้อแล้วก็ไปสรุปประเด็นไวอ้อีกสี่สิบห้าข้อในหนังสือชื่อคุณลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาเป็นหนังสือที่ดีมากแล้วหาทางออกไว้ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ไม่ได้ทําเองนะฮะเอาของพระพุทธเจ้ามาร้อยเรียงให้ดูแล้วก็เทียบเคียงให้ดูหรือว่าหนังสือลุ่มน้ําน้ำมาถาเนะี่ยเป็นหลักการบริหารราชการบ้านเมืองหมายถึงการบริหารวัดด้วยเป็นต้นไปเนี่ย เราเห็นสภาพความอร่อยคือสภาพของปัญหาเราเห็นโทษของปัญหาเหล่านั้นแล้วก็เราก็เห็นทางออกแต่ไม่ยอมออกไม่ยอมที่จะช่วยกันออกประทาต่างๆมันเกิดขึ้นเยอเพราะแนตวตรงนี้ยถ้าเรามองให้ชัดเจนยกตัวอย่างว่าระวางคนในเหมาะสมกับงานคนคนนี้เขามีความถนัดอย่างนี้ทางานอย่างนี้ แล้วก็ต้องอิสระต้องอิสระให้เขาอิสระระวังใจเขาหรือเปล่าเราก็ให้เขาทาเต็มที่เราก็คอยตรวจสอบคอยดูว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไมไ่ไม่ไปที่นิ้วสั่งกา ร, บ, ารบังคับอะไรอะไรนั่นคือฉลาดในการบริหารงานบุคคลแล้วก็สัจเมธะเนี่ยคือฉลาด ในเนื้องงานทั้งหลายเกษตรกรรมพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมอะไระอะไรก็ตาไมนะฮะมันที่ถูกต้องเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรอย่างเมืองไทยเนี่ยเหมาะสมกับอุตสาหกรรมหนักจริงหรือหรือว่าระดับเกษตรอุตสาหกรรมที่จะคุมท้องของโลกเนี่ยคุมเรื่องอาหารไว้เนี่ยคุมปัจจัยเสีย ห, หมดเลยแล้วจะมีอำนาจต่อรองกับพวกน้ำมันได้ทําไมแล้วคุมอาหารไว้ให้เสร็จ หมายความว่ามนุษย์ไม่กินน้ํามันไม่ได้นะแต่เราคุมปัจจัยสีไ่ไปได้แล้วเรามีศักยภาพพอนะฮะประเทศเราเนี่ยพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมเนี่ยหมายความมาเล่นภาคเกษตรที่ทําเป็นระบบแล้วก็มีงานทางวิชาการวิเคราะห์ดินอนุรักษ์ดินพัฒนาดินอะไรแต่ไรน้ําอะไรแต่ไรให้ดีเนี่ยฮเล่นขึ้นมาเนี่ยเราก็แก้ทางออกในด้านในด้าน เกษตรในด้านอาชีพในด้านเศรษฐศาสตร์นะฮะในด้านเศรษฐกิจมันก็กลายเป็นแก้ปัญหาสังคมเพราะว่าพวกนี้มันมีความยึดโยงกันที่เราพูดถึงปัญหาใหญ่อะไรละ่ะความไม่รู้ความยากไร้โรคภยครัยไข้เจ็บขาดการวางแผนครอบครัวเป็นปัญหาในด้านคุณภาพของประชากรคือปัญหาองค์รวมของความเป็นประชากรเนี่ยเราจะมีปัญหาตรงนี้แล้วมึนก็ลูกโปง่งอย่างที่ว่า ถามว่าตรงนี้เป็นโทษไหมเห็นเป็นโทษของกองสังคมไหมโทษทางเศรษฐกิจโทษทางสังคมโทษทางการเมืองมันก็ไม่มีอะไรอะ่ะมาอยู่ที่คนอะ่ะแต่เราแก้ที่คนได้เนี่ยเราไปอยู่ตรงไห น, นเราก็แก้ได้ทีนี้ต่อไปก็คือเขาเรียกว่าส ม, มาปราสระสมาปสระนั้นเป็นงานสังคมสงเคราะห์แต่ไม่ใช่สงเคราะห์แบบมันนอนรอของแจก เป็นการสงเคราะห์ให้เขาช่วยตัวเองได้แน่นอนคนเหล่านี้ควรมีระยะปลอดหนี้จำนวนหนึ่งระยะหนึ่งเวลานี้ฟังพวกพรรคการเมืองก็าหาเสียงและวสยหงนะฮะใสยองทำไปทมาประเทศจะปนปี้คือจะเป็นหนี้ทับซ้อนแล้วก็ไม่มีการใช้หนี้รัฐบาลก็ไม่จงเงินมาจากไหนมันต้องมีระบบ ที่ชัดเจนแน่นอนแล้วต้องโดยเฉพาะยิ่งคือความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันต้องแก้ที่คนนั้นได้คนเรายังมีปัญหาเยอะคนเรามีปัญหาเยอะคือเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ขาดความซื่อสัตย์สุจริตนั้นถ้าไม่รู้เฉยๆเนี่ยมันไม่เป็นปัญหาหรอกไม่รู้แล้วก็เลวด้วยไม่มีปัญหาเพราะว่าที่จริงอวิสากับกิเลสเนี่ยเขาเป็นอันเดียวกันนะนะทีนี้ถ้า เริ่มจากไม่รู้แล้วมันก็จะมีปัญหาตามมาว่าจะเปยยะเป็นการอธิบายชี้แจงเหตุผลประชาสัมพันธ์ชี้นำความถูกต้องให้แก่บุคคลภายในสังคมแต่ตัวใหญ่เนี่ยที่ว่าเนี่ยตัวตัวที่ห้าเนี่ยตัวคาว่านิรักละบาลีใช่ไหมคกับมวานิรักละแปลว่าปราศจากลิมสลัก เราจะจากปัญหาอุปสรรคเราต้องมองว่าสังคมเราใน ม, มีปัญหาอุปสรรคเยอะปัญหาในตัวคนเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาในระบบปัญหาในตัวคนปัญหาในทีมเราทำงานเป็นทีมไม่ดีแล้วก็เสร็จแล้วพอทำแล้วนี่หลงทีมตัวเองนึกว่าตัวเองเก่งแล้วก็ใช้วิธีสื่อสารแล้วคนก็หลงทาง ทางอย่างปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราดูเถอะล้วก็ชื่นชมกันมาว่าเก่งอย่างนั้นดีอย่างนี้สามารถอย่างนั้นเป็นมือชีพอย่างนี้มือชีพจริงหรือเปล่าคนก็ไม่ได้คิดนะแต่ว่าปัญหาเหล่านั้นมาเป็นปัญหาที่เราต้องรับผิดชอบทุกคนต้องรับผิดชอบอย่างว่าเวลาเนี้ยคนเกิดแวมาถึงก็เป็นหนี้ติดมาเจ็บเจ็บหมื่นบาทนั่นก็คือปน ปัญหาว่าเราไม่เคยจัดอุปสรรคอันตรายทั้งหลายนักเกรงท้องถิ่นเจ้าพ่ออำนาจดิติพลกินเล็กกินน้อยพวกเปอร์เซนต์ทั้งหลายที่สิ่งที่ก่อสร้างเช่นว่าสิ่งที่ก่อสร้างของรัฐเนี่ยเราฟังแล้วเราสยองเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันกินกันจังเลยนั่นคือปัญหาคอร์รัปชันและอาคารสฐานที่ของราชการเนี่ย มีสถานที่ราชการแห่งหนึ่งเขานี่ยบนมามาไปบรรยายแล้วก็รู้สึกสองปีแล้วไม่นิ่งบนนะฮะคือเรารู้สึกมันทําไมมันอาคารนี้มันแข็งจังแต่ว่าทําไมมันเปราะบางเราเคาะดูแล้วก็ดูเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างเนี้ยทําไมใช้วัสดุอย่างเงี้เพราะว่าบางจุดนี่มันแข็งมากนะะบางจุดมันอ่อนเราก็ตั้งปัญหาถามมา เราก็ไม่นิมน่ะเราก็อดไม่ได้อะเพราะว่ามันทรัพย์สินของแผ่นดินนะ่ยนะก็มีความรู้สึกรักชาติมากแล้วก็รู้สึกว่าเราอยู่ที่ไหนมันก็บ้านเมืองของเราอะอะไรที่เป็นคุณความดีเราก็อยากทำเพื่อชาติบ้านเมืองของเราอะไรที่เป็นปัญหาเราก็ตั้งข้อสังเกตในฐานะที่เราก็เป็นคนไทยแต่ว่าสังคมเนี่ย มันกลายเป็นปัญหาหนาะทึบเป็นหมอกทึบที่ค่อนข้างแก้ไขได้ยากลองดูกรทมเพราะว่ากรทมคนใหม่เนี่ยชักจะเอาเรื่องอ น, นะถ้าถามปัญหาเหล่านี้เพิ่งมีมีมานานแล้วรู้ก็จะตายแล้วนะอยู่วัดวอนขะี้เกียจรู้เลยเดี๋ยวโยะมาบอกเดี๋ยวคนนั้นมาบอกคนนี้นมาบอกแล้วเราเองก็เจอนะเราก็เจอปัญหาแต่ว่า มันไม่มีใครกล้าขจัดปัญหาประศักดปัญหาประสักดมันต้องเสี่ยงแล้วก็ต้องไม่กลัวหรือถ้ากลัวเนี่ยไปแก้ปัญหาประสักดไม่ได้ทีนี้ถ้าคนทํางานแล้วก็กลัวเนี่ยก็ไม่รู้จะทาทําอะไรพคนทํางานต้องไม่กลัวกลัวอะไรอ่ะกลัวตายเหรอกลัวตายแล้วถ้ากลัวแล้วไม่ตายหละก็เปล่าวันคนคนทำงานต้องขจัดความกลัวออก จึงจะประสบความสําเร็จเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านทางานท่านไม่กลัวท่านอยู่คนเดียวท่านไม่กลัวปัญจวัคีทิ้งหมดแล้วก็ไม่กลัวถ้ากลัวแล้วก็ดัดสันดานตัวเองนอนกลัวก็นอนในหายกลัวยืนกลัวก็ยืนในหายกลัวนั่งกลัวก็นั่งในหายกลัวเดินกลัวก็เดินหยดหายกลัวเป็นการดัดสันดานตัวเองเรื่องบ้านโครงสร้างตรงนี้มันเป็นโครงสร้างที่วิเคราะห์ลําดับขั้นตอนหนึ่งสภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาความดับปัญหาหลักการวิธีการในการดับปัญหาหรือว่ามองในตัวรสอร่อยตัวโทษของมันแล้วก็ทางออกซึ่งก็หมายความว่าต้องใช้ปัญญาชัดเจนมองชัดเจนทั้งสองอย่างแล้วก็ความเข้มแข็งภายใ น, ในจิตเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะถ้าแม้นั้นเห็นทางออกแล้วก็ไม่ยอมออกนะครับเพราะว่ามีลักษณะของการสยบติดนะครับทุกครังทั้งหลาย